วันนี้พวกเราได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมที่จะเป็นผลตามมาต่อไปการฟังเทศฟังธรรมเราเรียกว่าปริยัติธรรม การปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมเรียกว่าปฏิเวทธรรมธรรมทั้งสามนี้เป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันขาดไม่ได้ต้องมีทั้งสามการที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมการที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง แม่นยำไม่ผิดก็ต้องมีการฟังเทศฟังธรรมมีการศึกษามีปริยัติธรรมในทางปฏิบัตินี้ในทางสายปฏิบัตินี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี้จะไปควบคู่กันไปไม่ได้แยกออกจากกันไม่เหมือนในทาง ของปริยัตยที่เขาจะแยกเช่นปริยัตยิก็จะเรียนแต่ตา ร, ร, ราแต่ไม่ปฏิบัติจะรอให้เรียนให้จบพระไตรปิฎกก่อนจบแล้วจะปฏิบัติไม่ปฏิบัตินี้ก็เป็นเรื่องของผู้เรียนกันแต่ในทางสายปฏิบัตินี้ท่านจะ เดินไปปฏิบัติไปแล้วก็บรรลุไปตามลำดับขณะที่ฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ปฏิบัติไปด้วยกันคือปฏิบัติด้วยกายวาจาใจที่สงบปฏิบัติด้วยสติเจริญสติฟังเทศฟังธรรมด้วยใจที่จดจอ่อไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะ ได้สมาธิเป็นผลตามมาแล้วถ้าพิจารณาธรรมที่ได้ยินได้ฟังพิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้ยินได้ฟังก็จะบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการสอบผ่านนั่นเองการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการทําข้อสอบ การศึกษาก็เป็นเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนเรียนในห้องเรียนแล้วก็นำอาอกไปปฏิบัติเอาไปทำการบ้านทำการบ้านแล้วก็เข้าห้องสอบพอสอบแล้วถ้าสอบผ่านก็จะได้ปริญญาได้ใบประกาศนียบัตร แต่ปริญญาของทางการปฏิบัตินี้ไม่เล้เป็นแผ่นกระดาษแต่เป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ไปในแต่ละขั้นเป็นสันติโกเคยจะไม่มีผู้อื่นจะมาเป็นผู้ตรวจข้อสอบเป็นผู้มอบใบประกาศสนียบัตเป็นผู้มอบปริญญาผู้ปฏิบัตินั่นแหละ จะเป็นผู้ตรวจข้อสอบของตนจะเป็นผู้รับผลรับปริญญาที่เกิดจากการสอบผ่านของตนทราท่านถึงเรียกว่าสันทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้ได้ด้วยตนเองรู้ว่ากาลังสอบสอบแล้วผ่านไม่ผ่าน ก็จะรู้การจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องมีการศึกษาปริยัติธรรมกันก่อนเมื่อศึกษาปริปรยัติรติธรรมแล้วก็จะรู้ว่าข้อสอบนั้นมีอะไรต้องทำอะไรกันถึงจะได้ปันจะได้บรรลุผลที่ปรารถนากันข้อสอบของ ทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันก็คือปริญญาสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าอารหรัน์ ในแต่ละขั้นนี้ก็จะดับความทุกข์ได้ในในในระดับแต่ละระดับการนสุดาบ r m น, นี้ก็จะดับความทุกข์ได้ขัน้นในระดับหนึ่งขั้นสกิราคามีก็ระดับที่สองขั้นอนาคามีก็ระดับที่สามขัน้น อรหันต์ก็ระดับที่สการทำการบ้านการเข้าข้อสอบขั้นการเข้าการทำการบ้านการทำข้อสอบนี้เราเรียกว่ามรรคเช่นโสดาปติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคเรียกว่าเป็นการทำข้อสอบถ้าทำข้อสอบได้สอบผ่าน ดับความทุกข์ภายในใจได้ก็จะก็จะบรรลุผลเรียกว่าโสดาปฏิผลสกิดาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลนี่คือปฏิเวทที่เกิดจากปฏิบัติที่เกิดจากปริยัติการศึกษาศึกษาว่าเราต้อง ทำอะไรเมื่อรู้ว่าต้องทำอะไรก็ไปเตรียมตัวทำการบ้านทำการบ้านแล้วพร้อมที่จะเข้าห้องสอบก็เข้าไปสอบดูทดสอบใจดพูพอสอบแล้วถ้าสอบผ่านก็จะได้ปริญญาได้ปัญญาขั้นต่างๆปัญญาขั้น โสดาบันขัน้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอวหาันตขั้นแรกคือขั้นโสดาบันนี้ข้อสอบของพระโสดาบันมีอะไระข้อสอบของพระโสดาบันก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลภัตตะปรมาอ สักกายะทิฏฐิคืออะไรก็คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือเห็นว่าร่างกายนี้มีตัวตนเป็นตัวเราของเราเห็นเวทนาัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิ ความจริงแล้วเวทนาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสิบสองเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่มีส่วนประกอบต่างๆที่ทำผลิตมาจากวัตถุต่างๆมาประกอบกันเข้าก็จะเป็นรถยนต์ ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่มีส่วนต่างๆส่วนประกอบต่างๆคืออาการ32เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอาการเหล่านี้ก็ผลิตมาจากวัตถุต่างๆวัตถุที่เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด อาการต่างๆเหล่านี้ก็คือธาตุธาตุทั้งสี่ได้แก่ดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟนี้มาในรูปแบบอะไรก็ในรูปแบบของอาหารของเครื่องดื่มของอากาศของลมหายใจและของความร้อนของร่างกายอุณหภูมิของร่างกายนี่คือธาตุสี่อาหารนี้ก็ต้องเนื้ มีดินมีน้ำมีอากาศมีความร้อนอต้นไม้ต้นข้าวถึงแก่จะเริ่เติบโตได้ออกรวงออกข้าวออกมาได้พอนําข้าวนี้ไปหุงก็เท่ากับไปเอาธาตุไฟใส่เข้าไปในในข้าวผสมกับธาตุดินผสมกับธาตุน้ําผสมกับธ า, า, า, าตุลม แล้วพอรับประทานเข้ามาในร่างกายก็จะมาเป็นอาการสามสิบสองร่างกายนี้ถ้าออกมาจากท้องแม่แล้วไม่ได้รับการเติมธาตุไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับน้ำไม่ได้รับอลมไม่ได้รับความร้อนร่างกายนี้ก็จะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ อย่างนั้นถ้าไม่มีธาตุสี่ก็จะไม่มีร่างกายอันนี้เพะฉะร่างกายนี้ก็คือธาตุสี่ดีนี้นี่เองแต่จิตที่ได้มาครอบครองร่างกายนี้ไม่มีความรู้อันนี้ไม่มีใครสอนพอได้ร่างกายนี้มาพอออกมาจากท้องแม่พอเริ่มรู้สึกตัวก็จะเริ่มคิดว่าร่างกายนี้ เป็นตัวจิตเป็นตัวเราของเราทันทีแล้วก็เวทนาสัญญาสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่กับจิตก็จะคิดปรุงแต่งไปในทางความเห็นผิดเป็นชอบไปใช้ในทางสักกายาทิฐิทันทีสัญญาก็จะจำว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา สังคัรก็จะปร่งให้เมื่อเป็นของเราตัวเราก็ต้องให้ให้ดีให้อยู่ไปนานๆไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อันนี้มันเป็นความอยากที่มันไม่ตรงกับความจริงเพราะว่าร่างกายย่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเวลาเกิดความอยากที่ไม่ตรงกับความจริง ก็จะเกิดความทุกใจขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาเวลาที่ร่างกายแก่ก็จะทุกใจเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกใจเวลาร่างกายตายไปก็จะทุกใจวิธีที่จะแก้ ส, ก, ส ก, กายัตทิฏฐิคือความเห็นผิดที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเพื่อที่เราจะได้มาเปลี่ยนสัญญาความจำจำผิดให้จำถูกนั่นเองเคยจำว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันมาจากดินน้ำลมไฟมันเป็นอาการสามสิบสอง มันไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ผู้ที่ให้ตัวตนนี้คือใจคือสัญญานี้เองสัญญาเป็นผู้ให้ความมั่นความหมายความสําคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นภรรยาเราเป็นสามีเราเป็นสัตว์เป็นบุคคล นี่คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นอาการสามสิบสองว่าเป็นตัวตนเห็นดินน้ำลมไฟที่ทำให้เกิดอาการสามสิบสองนี้เป็นดินน้ำลมไฟก็ลองใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าความเห็นถูกของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้พิจารณาจนเห็นชัดเจนว่า ร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไยเป็นเพียงอาการสาสิบสองไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในร่างกายนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรทิดาไม่มีญาติสนิทมิตรสหายอยู่ในร่างกายนี้ มีแต่อาการสามสิบสองมีแต่ดินน้ำลมไฟนี่คือการพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางการจะปล่อยวางก็ต้องปล่อยตอนที่ร่างกายนี้จะต้องมีการาดับไปคือพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงนั่นเอง ร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็ตอนต้นก็พิจารณาร่างกายของคนอื่นเช่นเวลาเราไปงานศพของคนอื่นเราก็พิจารณาว่าร่างกายของเขานี้ในที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไ ป, ไปเวลาเผาก็จะเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูก ก็เป็นธาตุดินธาต้น้ำก็ถูกไฟเผาจนระเหยหายไปหมดธาตลมก็ออกไปตั้งแต่เวลาที่ไม่ได้หายใจเวลาที่ตายไปธาตไฟก็ออกไปก่อนเหลือแต่ธาตุดินกับธาตน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่พอนำเอาไปเข้าเตาเผาพอเ ผ, า, ผาด้วยไฟธาตน้ำก็จะ จะ เ, เหยื่อจะหายไปหมดจะเหือดแห้งไปหมดถ้าตดินก็จะกลายเป็นขี้เท้ากลายเป็นเศษกระดูกเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาที่ร่างกายจะตายเราจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นทันที ถ้าเราอยากที่จะไม่ทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องปล่อยวางร่างกายต้องปล่อยต้องถือว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะปล่อยไม่ปล่อยเวลาร่างกายจะตายนี้เขาตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราปล่อยถ้าเราเห็นว่าเขาต้องตายล้วเราเราเราเห็นว่าถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์ ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่อย่างนี้เราจะทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เราก็จะเห็นอริยสัจสี่ทันทีเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายตายไปพอเห็นความจริงว่าอยากยังไงก็ห้ามความตายไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดอยากยอมรับความจริง ปล่อยให้มันตายไปพอปล่อยให้ร่างกายตายไปก็คือหยุดหยุดความอยากไม่ให้มันตายนั่นเองมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปใจไม่มีความอยากกับร่างกายกต่อไปพราะถ้าอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ทรมานใจเหมือนกับเอามีดมาทิ่มแทงใจเวลาเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายตายไป พอหยุดเอามีดมาทิ่มแทงใจคือหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายไม่ตายความทุกข์ใจก็จะหายไปเพราะมีที่ทิ่มแทงใจคือความอยากนั้นไม่ได้ทํางานแล้วเพราะหยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยเพราะว่าเห็นว่า อ, อยากไปก็ไม่ได้ไปยับยั้งความตายได้ มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจไปเปล่าๆ ป, ปัญญาก็คือมรรคมรรคก็คือเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังนั่นเองเกิดแก่เจ็บตายร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปห้ามธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่จะแยกทางกันไม่ได้ นี่คือการทำข้อสอบของพระโสดาบันต้องพิจารณาไปจนกระทั่งเห็นอริยสัจสเห็นว่าความทุกข์ใหญ่ที่เกี่ยวกับความตายนี้เกิดจากความอยากไม่ตายนี้เราเห็นว่าถ้าถ้าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อง หยุดความอยากเพราะว่าอยากหรือไม่อยากความตายมันก็จะไม่หายไปอยู่ดีเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาคือร่างกายอันนี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอไม่ใช่สักกายะทิฏฐิจะเห็นว่าเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ และเป็นการแยกสลายออกจากกันของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอันนี้ใจนี้หลงไปยึดไปติดไปคิดเองว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายไปเท่านั้นเองพอรู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราใจก็หยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากได้ก็หยุดความทุกข์ได้ก็จะบรรลุโสดาปฏิผลขึ้นมาการพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เรียกว่าเป็นโสดาปฏิมักการพิจารณาความเจ็บของร่างกายก็เช่นเดียวกันแบบเดียวกับความตายร่างกายนี้มันต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้จะให้มันหายไปนี้ สั่งให้มันหายนี้มันไม่หายเพราะเรามันไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจของเราเพราะมันเป็นอนัตตาพอเห็นว่าเวทนาคือความเจ็บของร่างกายนี้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกับร่างกายที่เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้อยากอยากให้หายเจ็บก็จะทุกข์ทรมานใจอยากไม่ให้เจ็บก็จะทุกข์ทรมานใจ ก็เหมือนกับเอามีดมาทิ่มแทงใจนั่นเองความอยากพอเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากเพราะความทุกข์ทรมานใจนี้มันรุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าดดวยกันพอหยุดความอยากไม่ให้หยุดความอยากไม่ให้เกิดเวทนาหรือหยุดความอยากให้เวทนาหายไปได้ ควาทุกข์ทรมานใจที่รุนแรงหลายเท่าหลายร้อยเท่ากว่าของความเจ็บของร่างกายก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเข็มทิ่มเนื้อเข็มที่ไม่เจ็บอะไรมากเหมือนกับตอนที่หมอบอกว่าจะฉีดยาให้ อเพยงหมอบอกว่าจะฉีดยาให้เท่านั้นถ้ามีความกลัวความเจ็บนี้ความเจ็บในใจนี้ความทุกข์ในใจนี้จะเกิดขึ้นทันทีทั้งๆ ท, ที่หมอยังไม่ทันฉีดยาให้เลยแต่ถ้ามีปัญญาแล้วก็สอนใจว่าห้ามไม่ได้เจ็บก็ต้องเจ็บหมอจะฉีดก็ต้องปล่อยให้หมอฉีดไปเความอยาก ความกลัวความเจ็บก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความเจ็บก็จะหายไปหายด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าห้ามไม่ได้ความเจ็บมันก็เพียงนิดเดียวเพียงแค่เข็มทิ่มนเนื้อเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นข้อสอบเป็นสวดาปฏิมาต้องผ่านความเจ็บต้องปล่อยวางความเจ็บ ต้องปล่อยวางความตายอย่าไปอยากแม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นอันขาดแล้วจะไม่ทุกข์ใจจะปล่อยได้ก็ต้องเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็นทุกข์ขังเห็นอนิจจังเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นอนิจจังไปห้ามก็ไม่ได้เป็นอนาาัตตา เขาต้องเปลี่ยนไปเขาต้องดับไปในที่สุดเขาต้องเกิดอาการเจ็บขึ้นมาเวลาที่เขาอแก่ปายไปอพอเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นด้วยมรรคก็จะเห็นอริยสัจสี่เนี่ยการบรรลุธรรมได้นี้ไม่ได้ให้เห็นอะไรให้เห็นอริยสัจสี่ ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาให้เห็นว่าเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับหเห็นเป็นอนัตตาไม่มีไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามเขาไม่ได้เขาต้องเกิดต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าไปอยากให้เขาไม่ดับเออ่ ก็จะเกิดทุกขังขึ้นมาอันนี้เรียกว่าโสดาปฏิมาถ้าเห็นแล้วหยุดความอยากได้ก็จะบรรลุเป็นโสดาปฏิผลมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีในร่างกายในขันห้าเห็นลูเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นทุกขังทุกเพราะความอยากทุกเพราะว่า อยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกเพราะว่าอยากในสิ่งที่ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้อันนี้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะละวิจิกิจฉาได้ความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมนี้จริงหรือไม่พระสงฆ์บรรลุธรรมได้จริงหรือไม่ก็จะไม่สงสัยเพราะ เห็นกับตาเดี๋ยวนั่นแล้วว่าอตอนนี้ได้บรรลุธรรมแล้วได้เห็นอริยสัจสี่แล้วได้เห็นธรรมแล้วอผู้ที่เห็นธรรมก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเพราะว่าธรรมนี้ก็ออกมาจากพระโอรสของพระพุทธเจ้านี้เองคือคําสอนในอริยสัจสีนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีใครรู้พระอริยสัจสีได้ด้วยตนเอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านําเอาอริยสัจสี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีใครรู้จักอริยสัจสี่กันดังนั้นพอเห็นอริยสัจสีที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะเห็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์ผู้ได้ปฏิบัติ จนได้บรรลุธรรมขึ้นมาก็คือผู้ปฏิบัติเองนั่นเองผู้ที่ได้บรรลุโสดาปติพน์เนี่ยแล้วพอบรรลุพอเห็นแล้วว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็จะเลิกเรื่องสีลักพัตตะปรามาไปได้คือจะไม่ไปทำบุญเถาะเคาะเพื่อดับความไม่สบายใจคนที่ไม่เห็นอริยาาสัจสี่นี่เวลาไม่สบายใจกับเรื่องของ ร่างกายเรื่องของความเสื่อมเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไปทําบุญสะดากเคาะด้วยวิธีต่างๆไปหาดูไหาหมอดูบ้างไปหาหมอดาวบ้างไปหาสินแสบ้างแล้วแต่ใครจะมีวิธีการต่างๆก็จะไปหาแล้วก็ทําพิธีการต่างๆ สะดาเคราะห์ด้วยการวิธีต่างๆมีการบูชายันบังมี่าเป็ดค่าไก่เอาไปไหว้เจ้าไหว้เทพไหวพรมบ้างเพื่อจะได้ดับเคราะ์ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจแต่ความทุกข์ภายในใจนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆภายนอกแต่เกิดจากความอยากภายในใจ อยากให้สิ่งต่างๆที่ตนเองรักที่ตนเองชอบให้อยู่กับตนไปนานๆไม่ให้เสื่อมไม่ให้หมดไปพอสิ่งที่มีอยู่เสื่อมหรือหมดไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์ด้วยความอยากผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ก็จะไม่ไปเสียเวลากับการไปทาพิธีกรรมต่างๆ เพื่อสะโดะเคเพื่อปอ้องเพื่อหยุดความเสื่อมหยุดความดับของสิ่งต่างๆเพราะรู้ว่าหยุดไม่ได้ดับไม่ได้แล้วก็รู้ว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมหรือดับไปหรือจากตนไปเท่านั้นเองแต่ก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ว่าทุกสิ่งตัวอย่างมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปดนันการไปทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อไปสกัดความเสื่อมความดับของสิ่งต่างๆจึงเป็นเรื่องไร้สาระทําไม่ได้เช่นไม่สบายหมอบอกเป็นโรคมะเร็งก็ไปทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้โรคมะเร็งหายไปทําไปจนวันตายมันก็ไม่หาย มันจะหายก็ตอนที่ร่างกายตายไปแล้วมันหายไปพร้อมกันพอร่างกายตายไปโรคมะเร็งก็หายหายไปกับกองฟืนกองไฟอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่ที่ไม่เห็นกันเลยทำให้เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกสิ่งทุกอยาก่าง มีเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้ดับไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้เกิดไม่ได้เวลาจะเกิดเวลาเกิดโลภัยไข้เจ็บเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดเดี๋ยวมันจะดับมันก็ดับของมันไปเองถ้าไปอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ไปทพิธีสะเดาะเคราะห์ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งมันได้ห้ามไม่ให้เกิดความเจ็บภายในร่างกายได้ห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไดห้ามไม่ให้ร่างกายตายได้เป็นไปไม่ได้นี่คือโสดาบันโสดาปฏิผลนละสังโยชน์สามข้อแรกได้ก็คือละ อสักกายะทิฏฐิการเห็นว่าอ่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเวทนานี้เป็นตัวเราของเราละาวิจิกิจฉาได้ความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่อันนี้จะไม่สงสัยละศีลรับพะระตาปารมาได้คือการไปทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อสะเดาะเค จะดอกความทุ ก, กข์ให้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปทําพิธีกรรมให้หายหมอรักษาไม่หายก็ต้องไปอาศัยหมอผีเอไปทําพิธีกรรมต่างๆทํายังไงมันก็ไม่หายร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่หมอเองก็ยังต้องเจ็บเลยต้องเป็นเลย แล้วหม อ, อยังรักษาตัวเองไม่ได้แล้วจะไปรักษาคนอื่นได้อย่างไรนี่คือขั้นของพาโซโดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีสกิสกิดาคารมีมากคืออะไรการบ้านของพระสกิดาคารมี <c oughs> ข้อสอบของพระสกิดาคารมีคืออะไรก็คือการดับกามอารมณ์ การลดละการมัลมให้เบาบางลงไปยังไม่ได้ดับอย่างถาวรยังไม่ได้ดับหมดดับเพียงครึ่งเดียวคือทำให้เบาบางลงวิธีที่จะทำให้กามัลมเบาบางลงก็ต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปพิจารณาส่วนที่สวยงามส่วนที่สวยงามก็ส่วนที่อยู่ข้างนอกเช่นผมขนเล็บฟันหนัง ถ้าดูแต่ภายนอกก็จะเห็นว่าร่างกายนี้สวยน่ารักก็จะทำให้เกิดการมโลมขึ้นมาถ้าอยากจะดับการมโลมก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยส่วนที่ไม่สวยอยู่ตรงไหนก็อยู่กับภายใต้ผิวหนังเข้าไปต้องพิจารณาเนื้อเอ็นกระดูลองลอกหนังออกมาดูหน้าตาที่สวยนี่ลองลอกลองลอกออกมาดูเป็นเหมือนหน้ากากภายใต้ ภายใต้ผิวหนังผิวหน้านี้จะมีองไงก็มีเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกก็คือกระโหลกศีรษะดีๆนีอ่อยู่ภายใต้ผิวหนังอยู่ไปภายใต้ใบหน้าผิวบางๆแค่นี้กลับมองไม่เห็นว่าเป็นอสุภะกลับหลงหลาคลั่งไคล่กับรูปหน้าตาที่มีหนังห่้มห่ออยู่ที่เป็นเพียงหนังห่้มหอ่อโครงกระดูกอยู่เท่านั้นเอง คือกระโหกศีรษะนี้เองอันนี้ต้องพิจารณาให้เห็นกะโหลกศีรษะให้ได้เวลาเห็นหน้าตาที่สวยงามเช่นเวลาเห็นดาราภาพยนตร์เออย่าเห็นแต่ผิวนะหนังที่เป็นเหมือนหน้ากากที่หุ้มห่อกะโหลกศีรษะต้องมองทะลุเข้าไปภายใต้ผิวหนังให้เห็นกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายเอใอ วิธีจะดูก็ไปดูกระโหลกศรีรษะตามโรงพยาบาลหรือตามหนังสือต่างๆที่เขาวาดขึ้นมาหรือถ่ายภาพขึ้นมาของโครงกระดูกตั้งแต่กระโหลกศรีรษะลงไปจนถึงเท้านี่อันนี้มีอยู่ในร่างกายที่สวยงามทุกๆของทุกๆคนถ้าเห็นโครงกระดูกแล้วก็จะทำให้การบารมนี้ เบาบางลงไปหรือหมดไปได้การทําให้บางลงไปก็หมายความว่าเห็นยังไม่เห็นตลอดเวลาเห็นบางเวลาเวลาที่เห็นการอารมณ์ก็จะอ่อนกําลังลงเหมือนกับขับรถแล้วแตะเบรกเวลาใดที่แตะเบรกความเร็วก็จะช้าลงทันทีแต่รถยังไม่ดับถ้ายังไม่ตะเบรกตลอดเวลา ถ้าตะเบรกแล้วปล่อยพอปล่อยเบรกรถก็จะวิ่งต่อไปได้เวลาพิจารณาสุภะเวลาใดพิจารณาสุภาษะเวลานั้นการอารมณ์ก็จะถูกตัดกำลังลงเวลาใดไม่ได้พิจารณาพอเห็นร่างกายที่สวยงามก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องถ้าอยากจะให้การอารมณ์นี้ไม่เกิดเลยก็ต้องพิจารณาตลอดเวลา เห็นร่างกายของไข่ก็ต้องเห็นอสุภะของร่างกายนั้นทันทีถ้าเห็นเป็นเพียงถ้าทำให้กามอารมณ์นี้เบาบางลงไปก็ถือว่าสอบผ่านขั้นที่สองคือผ่านขั้นส ก, กิดาคามีถ้าอยากจะให้การอารมณ์นี้หมดไปก็ต้องทำข้อสอบขั้นที่สามคือขั้นส ก, กิดาคามีมัช ก็คือต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาเห็นร่างกายปั๊บนี้จะต้องพิจารณาเป็นอสุภะทันทีเห็นร่างกายปั๊บต้องเห็นส่วนที่ไม่สวยงามทันทีถ้าเห็นตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นร่างกายการอารมณ์ก็จะหมดไปอันนี้ก็จะได้บรรลุขั้นที่สามขั้นอนาคามี การนาคามีนี้ก็จะหลุดพ้นจากการมาพบจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอีกต่อไปจะเกิดอยู่บนชั้นพรมโลกเพราพอใจนี้ไม่มีความอยากในร่างกายอีกต่อไปละสังโยชน์อีกสองข้อได้ก็คือการมาราคะกับปฏิคะ ปฏิฆะก็คือความหงุดหงิใจการมราคะคือความอยากอยากเสพกามนี่เอเวลาเกิดความอยากเสพกามแล้วไม่ได้เสพนี้จะมีความหมุดหงิดนำคาญใจเวลาได้เสพแล้วความหมุดหงิดนำคาญใจก็จะหายไปผู้ที่ไม่ฉลาดก็จะดับความหมุดหงิดใจด้วยการเสพกามแต่ไม่รู้ว่าการเสพกามนี้เป็นการ เพิ่มความหมุดหงิดใจให้เกิดขึ้นมาใหม่ก็หลังจากที่ได้เสพแล้วความหมุดหงิดใจหายไปแล้วชั่วคราวเดี๋ยวความอยากเสพกามก็เกิดขึ้นมาใหม่ความหมุดหงิดใจก็กลับตามมาใหม่พอไปเสพกามอีกอมันก็ระงับความหมุดหงิดใจไว้ชั่วคราวแล้วพอเกิดความอยากเสพกามขึ้นมาใหม่ความหงุดหงิดใจก็จะตามมาอีก ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความอยากเสกกรมดับความหงุดหงิดใจที่เกิดจากความอยากจะเสกกรรมวิธีที่จะดับความหมุดหงิดดับความอยากจะเสกกรมก็ต้องเจริญอสุภะต้องพิจารณาอสุภะต้องดูความไม่สวยงามของร่างกายทุกครั้งที่เห็นร่างกายของใครก็ตามต้องมองเข้าไปข้างใน มองให้เห็นโครงกระดูกมองให้เห็นกะโหลกศีรษะมองให้เห็นอวัยวะต่างๆเช่นเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นกระเพาะเห็นลำไส้เห็นสมองเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆเช่นอุจจาระปัสสาวะต่างๆนี่นี่คือการเห็นเพื่อที่จะดับการอารมณ์ ถ้าเห็นได้ทุกครั้งเวลาที่เห็นร่างกายก็จะไม่มีการอารมณ์เกิดขึ้นมาก็จะบรรลุ ข, ขั้นที่สามเรียกว่าอาณาคามีผลก็จะมีการบ้านมีข้อสอบขั้นที่สี่ที่ต้องทำต่อไปคือคืออรหัตมรักข้อสอบของของผู้ที่จะบรรลุเป็นอรหัตผู้ที่จะได้อรหัตผล ก็คือต้องละสังโยชน์อีกห้าข้อดดวยกันสังโยชน์อีกห้าข้อคืออะไรก็คือรูปราคะอารูปราคาอุทธาจาัจฉะมานะแล้วก็อวิชชานี่คือข้อสอบของของผู้ที่จะ บรรลุขั้นพระอาหารหันต์ได้ต้องละรูปราคะคืออะไรรูปราคะก็คือความติดในความสงบขั้นรูปฌานอรูปราคะก็คือความติดความสงบขั้นอรูปฌานมานะคืออะไรก็คือความหลงว่า มีตัวตนอยู่ในจิตถือตัวว่าตัวเองสูงกว่าคนนั้นต่ำกว่าคนนี้เท่าคนนั้นเนี่ยนี่เรียกว่ามานะยังมีตัวตนยังถือว่าตัวตนตัวของตนนี้สูงกว่าบ้างต่ำกว่าบ้างเท่ากว่าบ้างนี่ประมาณนะอวิชชาก็คือไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นอริยสัจสี่ที่ยังมีอยู่ภายในจิต ยังไม่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคของขั้นของพระของของขั้นอรหัตตมรรคนี้ส่วนอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านก็คือความฟุ้งซ่านของจิตที่ค้นคว้าพิจารณาเพื่อที่จะหาธรรมะเพื่อมาดับสังโยชน์ทั้งสี่คือ รูปะาคะอรูปะาคะมะนะแล้วก็อวิชชาแล้วก็อุทัศด้วยอันนี้เป็นข้อสอบขั้นสุดท้ายของผู้ที่จะบรรลุอราถตผลถ้าอยู่ถึงขั้นนั้นเวลาติดกับความสงบติดกับความสงบของรูปฌปานหรืออรูปฌาน ก็ต้องถอนออกมาอย่าไปติดเข้าไปพักผ่อนได้แต่อย่าไปติดตลอดเวลาพอถอนออกมาก็จะมาสัมผัสกับความทุกข์อันละเอียดที่เกิดจากความอยากอันละเอียดที่เกิดจากการถือตัวก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยาก เห็นว่ามานะความเกิดจากความหลงอที่เห็นว่าที่ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนแม้แต่จิตนี้ก็ไม่มีตัวตนอันนี้ถ้าพิจารณาไปถ้าพิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนก็เรียกว่าเกิดอุทธัจจักขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาตอนนั้นถ้าเกิดความฟุ้งซ่านก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้ามา ในสมาธิเข้ามาในรูปประชานอารูปประชานแต่ไม่ได้กลับมาเพื่อจะมาติดในรูปประชานหรืออารูปประชานกลับมาเพื่อเติมกำลังเหมือนกลับมาชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกลับโทรส์มือถือถ้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดหมดไฟพอไฟหมดก็ต้องกลับมาชาร์จแบตก่อนยันในถ้าพิจารณาทำพิจารณามานะพิจารณาอวิชชาไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะละมานะละอวิชานี้ก็จะต้องเกิดการฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าไม่หยุดพักแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์ความฟุ้งซ่านนี้ไม่ได้เป็นปัญญาปัญญานี้ต้องเป็นความเห็นด้วยเหตุด้วยผลและเห็นด้วยจิตใจที่สงบเย็นถ้าจิตไม่สงบจิตฟุ้งแล้วก็ต้องหยุด พอพิจารณาไม่ถูกหลักขาดปัญญาขาดสมาธิขาดกําลังของความสงบ ก, ก็ต้องกลับเข้าสู่ความสงบพอพักแล้วเสร็จแล้วมีกําลังมีความสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาเพื่อที่จะมาละมานะละอวิชชาต่อไปตอนนันที่สุดกล้าจะละได้พอละได้ก็จะบรรลุเป็นอาลัสทัต ไ ด, ได้ขั้นอรสาธผลขึ้นมานี่คือเรื่องของปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวณศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรมขั้นต่างๆำทำททุกขั้นนี้จะต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นเห็นอสุภะถึงจะบรรลุได้เห็นทุกในในอสุภะ เห็นท mm ุก hmm. ข์ในสักกายทิฏฐิในศีลพัตตาปรมะในวิจิกิจฉาเห็นทุกข์ในในการาคะในปฏิคะเห็นทุกข์ในรูปราคะอรูปราคะในอุทจจะในมานะและในอวิชชาเห็นอริยสัจสีเพราะเกิดจากความอยากทั้งนั้นก็ อันนี้หละคือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่คืออะไรก็สวสดาปฏิมรรคสกิดาคามีมาารรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคผลสี่ก็คือสวสดาปฏิผลสกิดาคามีผลอน า, าคามีผลและอาหารหัตผลตามลำดับ พอได้ถ้นขั้นอหัตผลก็จะถึงพระนิพพานนักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง阿ตผลนี่ไม่ใช่นิพพานนิพพานนี้เป็นผลที่ตามมาจากการได้อลาตมากักก็คือความสงบความดับทุกข์อย่างถาวรความสิ้นทุกข์อย่างถาวรเกิดจากการที่ได้บรรลุถึงขั้นอารหัตผลถ้ายังอยู่ที่ขั้น โสดาขั้นสกิทาคามีขันขน้นอนนาคามีผลนี้ยังไม่ได้นิพพานเพราะยังไม่มีความทุกข์ยังไม่ดับหมดสิ้นยังมีความทุกข์อยู่ในขั้นอรัตผลอยู่อรัตมรักอยู่ยังต้องกําจัดความทุกข์ที่อยู่ในขั้นอรัตมรัคให้หมดไปก่อนพอหมดแล้วก็จะได้ขั้นอรัตผลแล้วก็จะได้พระนิพพานตามมาตามลํำดับ นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ที่การบรรลุมรรคผลนิพพานการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธินี้เป็นเครื่องมือเป็นบันไดที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้ก้าวเข้าสู่ขั้นมรรคผลนิพพานก่อนจะเข้าถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้ต้องทําทานก่อน ต้องสะระทรับสมบัติข้าวของเงินทองเพื่อที่จะได้ออกบวชได้ออกปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ออกมารักษาศีลให้สาหารระอาดบริสุทธิ์พอรักษาศีลได้บริสุทธิ์แล้วก็จะสามารถจเจริญสมาธิได้ทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วก็จะเป็นฐานของการจเจริญมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติก็จะไปสุดอยู่ที่ขั้นสมาธิเท่านั้นเพราะไม่มีใครรู้ขั้นขั้นปัญญาขั้นอรหัตขั้นมรรคผลนิพพานต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อริยรรสัจสี่ก่อนอริยรรสัจสี่นี้ก็คือเป็นปัญญาที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆนั่นเอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนจับโลกทั้งหลายก็จะปฏิบัติได้ถึงแค่ขั้นสมาธิคือขั้นรูปประชานและอรูปปัจจันแล้วก็จะไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะขั้นรูปประชานรและอรูปปัจจนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของความไม่เทีย่ยงแท้แน่นอนคือการความเสือ่อม เมื่อสมาธิเสื่อมลงจิตก็จะเสื่อมลงมาจากชั้นพรหมก็จะลงมาสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพก็จะกลับลงมาสู่ชั้นมนุษย์กลับมาทำบุญทำบาปใหม่ต่อไปก็ยังจะต้องติดกับอยู่ ก, กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีสิ้นที่สิ้นสุดถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเข้าสู่ขั้นมรรคผล น, ผนิพพาน เข้าสู่ขั้นโสดาสกิดาคามีอนาคามีและอรหัน์ถ้าเข้าสู่ขั้นโสดาบัานได้ก็จะเหลือพบชาติในการมาพบไม่เกินเจ็ดชาติการมาพบก็คือที่เกิดของมนุษย์ของเทวดาส่วนอบายนี้ไม่ต้องไปเพราะเพราะโสดาบันนี้ปิดประตูอบายได้เพราะจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาด ถราได้บรรลุขั้นส ก, กิดาคามีก็จะเหลือพบชาติเพียมพบเดียวในกามาพบนะถ้าได้บรรลุขั้นอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาพบอีกต่อไปไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องเป็นเทวดาแต่ยังเป็นพรหมอยู่ยังไม่ได้เข้าถึงพระนิพพานจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็ต้องบรรลุขั้นพระอารหันต พอเข้าถึงขัง้นพระล้แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในกามในใจพบอีกต่อไปใจพบก็คือการมาพบรูปรพบอรูปรพบการมาพบก็คือพบของมนุษย์และเทวดารูปรพบก็คือพบของรูปประพรมอรูปรพบก็คือที่เกิดของอรูประพรมเราจึงเรียกว่าใจาพบ ภพมีสามเป็นภพที่มีการเวียนว่ายตายเกิดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จากขั้นสูงสุดก็จะจากอรูปภพก็จะเสื่อมลงมาสู่รูปภพจากรูปภพก็จะเสื่อมมาสู่ขั้นกามภพถ้าทำบาปก็ไปเกิดในอบายกามภพนี้มีสองส่วนส่วนที่เย็นกับส่วนที่ร้อนส่วนที่เย็นก็คือสวรรค์ส่วนที่ร้อนก็คือ ออบายส่วนมนุษย์นี่เป็นแบบกลางๆครึ่งร้อนครึ่งเย็นไม่ร้อนมากจนเกินไปไม่เย็นมากจนเกินไปส่วนกาส่วนอบายนี้จะร้อนจะไม่มีความเย็นเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกนี้จะไม่มีความเย็นจะมีแต่ความรุ่มร้อนใจถ้าจะเย็นนี้ต้องเป็นเทพเทพนี้เย็นอย่างเดียวไม่มีความร้อน ถ้าเป็นมนุษย์ก็ครึ่งร้อนครึ่งเย็นบางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นสลับกันไปก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้เพียงแต่ขั้นสมาธิได้ขั้นรูปฌปานอารูปฌปานจะได้ขั้นถ้าได้ขั้นมรรคผลนิพพานแล้วก็จะตัดภพชาติให้เหลือไม่เกินเจดชาติในระดับพระโสดาบันในกิในระดับพระกิดากามีก็เหลือชาติเดียว ในระดับพระอนาคามีก็ไม่มีการกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปแล้วก็จะไม่เสื่อมด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นอนาคามีถึงแม้ว่าจะอยู่ในรูปประพบรูประพบหรืออรูปประพบแต่เนื่องจากจิตของพระอนาคามีนี้มีปัญญารักษาป้องกันไม่ให้เสื่อมได้มีแต่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปจนถึงขั้นนี่ผ่าน ในที่สุดอันนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนาต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุมาสอนพระอริยสัจสี่มสอนให้พิจารณาละสังโยชน์ทั้งสิก็คือละสักกายทิติละละ ว, วิจิกิจฉาความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงค์สักกายทิติก็คือความเห็นผิดเห็นว่ามีตัวตน ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณละทิละพัตปรามาตได้คือความเห็นผิดว่าคิดว่าสามารถทำพิธีกรรมเพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่อยับยั้งความเสื่อมทั้งหลายได้อันนี้เรียกว่าสังโยษ์สามขั้นแล้วขั้นที่สี่ก็คือการ ม, มาราคะความยินดีในการความอยากเสพกาม ปฏิฆะความหงุดหงิดใจที่เกิดจากการอยากจะเสพกามอันนี้ก็้องละด้วยการพิจารณาอสุภะพอละได้แล้วก็จะไปละขั้นอีก5้าขั้นก็คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทาจฉอวิชชาก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่าเป็นตายเป็นตายลักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนะตตาเหมือนกัน สลุปแล้วก็คือต้องมีอริยสัจ ส, สีในทุกขั้นตอนต้องเห็นทุกในทุกขั้นเห็นทุกในขั้นของโสดาบันเห็นทุกในขั้นสกิทาคามีเห็นทุกในขั้นอนาคามีเห็นทุกในขั้นอรหันเห็นทุกที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองอยากในกาลกามตัญหาอย า, อยากมีอยากเป็นวิเพราะเรียวกว่าภาวะตันหาและอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียวกว่าวิภวะตันหา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุมรคนิพพานนี้ก็จะไม่มีให้สัตว์โลกได้คว้า ม, มาเป็นรางวัลจะได้อย่างมากก็แค่ขั้นสมาธิขั้นฌานสมาบัติแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุมาประกาศพระธรรมคําสอนก็จะปรากฏมีพระอริยขั้นต่างๆปรากฏกันขึ้นมาอย่างมากมายก่ายกอง ขันโสดาพระโสดาบรนพระสะกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันในสมัยพระพุทธการนี้ท่านเดินชนกันเหมือนกับเป๋าเวลาไปเดินชอปปิ้งกันในศูนย์การค้าเลยชนทางซ้ายก็เป็นโสดาบันชนทางขวาก็เป็นสกิดาคามีเพราะว่าท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําทางเป็นผู้สั่งสอนสมัยนี้ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้า ก็ยังมีพระอริยสงสาวุกยังมีพระธรรมคำสอนอยู่เหยงแต่ว่าไม่ค่อยมีผู้ที่สนใจที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับปริยัติปฏิบัติกับปฏิเวทผลจึงไม่ค่อยมีเดินในศูนย์การค้าถึงมักจะชนกับเปรตบ้างชนกับผีบ้าง ไม่ได้ชนกับพระโสดาบันไม่ได้ชนกับพระสักดีดาคามียนาคามียขนก็เพราะว่าไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจปริยัตศึกษาแล้วก็ไม่สนใจที่จะนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบแบบไม่เอาจริงเอาจางปฏิเวก็ไม่เกิดขึ้น พระอาริยบุคคลทั้งสี่ท่านก็เลยไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาในสมัยนี้แต่ถ้าผู้ใดมีความเอาจริงเอาจังต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติก็ผลก็คือปฏิเวทก็ย่อมเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติกันเองถ้าทุ่มเทมากก็จะได้ผลมากได้ผลใหญ ถ้าทุ่มเทน้อยก็ได้ผลน้อยได้ผลช้าเป็นเรื่องของเหตุของผลเหมือนกับการขับรถยนต์ขับช้าก็ไปถึงช้าขับเร็วก็ไปถึงเร็วดังนั้นขอให้เราพยายามเร่งความเพียรกันให้มากๆพยายามพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไว้เอยๆเพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องรีบทความเพียรกัน ไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาแก่เจ็บตายแล้วจะปฏิบัติไม่ได้การแสดงก็คิดว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาหรวาหาปุราปารเรปุเรนติสาขะรังเอวเมวาอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิชิตังปฏิต um ังตุมังหังคิป้เมวะสมิจจโตสัพเเอปเรนโตสังกะปาจันโทปนาวะโสยธามณิโชติอ so รัสโสยธาสัพพิติโยวิวาจานโตสัพพโรโววินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีธีขายุโภพวะ อาภิวาทนาสีฤทธนิจจังวุธาปจายโนจตารูธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลาง สติของพระอริยคนจะขั้นประมาณสกิรเซก็ <S <S มันก็ตามตามลําดับของมันไปหละทัศโสดาบานก็สติคือสติของพระอริยเจ้านี่ก็มันก็มีเพิ่มมากขึ้นไปตามกําลังของการปฏิบัตินการโสดาบันก็น้อยกว่าขั้นสักกิรดาคามีขั้นสกิรดาคามีก็น้อยกว่าขั้นอนนาคามีขั้นอนนาคามีก็น้อยกว่าขัาน้นอรหัน เพราะตัวสตินี้จะเป็นตัวที่จะทําให้เจริญปัญญาได้มากหรือไดน้อยนี่ถ้าสติก่อนกําลังเดี๋ยวมันจะคิดไปทางกิเลสคิดหาแฟนคิดหาขนมมากินใช่ไหมถ้ามีสติมันก็จะพุโทโธพุโทโธมันก็จะเข้าข้างในมันก็จะเข้าหาอนนี้จังทุกขังอนัตตาเวลาที่มีสติมันก็จะพิจารณาธรรมได้เวลาไม่มีสติมันก็จะไปตาม กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาทันทีทางขั้นขั้นของพระอาราตามรักษนี่ขั้นเรียกว่าขั้นมหาสติมหาปัญญาอันนี้จะหมุนตลอดเวลาจะไม่ไปทางกิเลสแล้วแต่ขั้นขั้นสกิณาคามีขั้นขั้นโสดาบันนี่ยังหมุนไปทางกามารมณ์อยู่ยังอยากจะหาแฟนยังอยากจะมีแฟนอยู่ ไม่มีสติที่จะดึงมาหาอสุภะไม่ยอมพิจารณาอสุภะ<ม>พอถึงขัน้นขั้นอนาคามมนีเดิงเข้ามาหาสุภะได้ตลอดเวลา<ม>พิจารณาสุภะได้ตลอดเวลา<ม>ก็ดับการมันลมได้หมดมบวชได้สบายอยู่คนเดียวได้สบายไม่ต้องมีแฟน<ม>สติสําคัญแต่สติไม่ใช่เป็นตัวสําคัญตัวเดียวต้องมีปัญญาตามมา มีสติเพื่อดึงให้เกิดปัญญาเพื่อให้จิตเข้าหาปัญญาถ้าดึงมีสติเดึงเข้าหาหาอารมณ์ที่ไม่ใช่เป็นปัญญาก็จะได้แค่สมาธิเช่นเดืองเข้าหาพุทโธอย่างนี้ก็จะได้แค่สมาธิดึงเข้าหาลมนี้ก็จะได้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็จะได้แค่สมาธิแต่ถ้าก็ดึงเข้าหานี้จังทุกขังอนตาเดึองเข้าหาอสุภะทีนี้จะได้ปัญญา แต่ก่อนจะดึงเข้าหาปัญญาได้ก็ต้องดึงเข้าหาลมหาพุโทโธก่อนเพราะมันง่ายกว่าปัญญามันยากกว่า ừ, การพิจารณาที่จังนี้มันไม่ใช่ของง่ายการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับของสิ่งต่างๆนี้ ừ, ต้องศึกษาอยู่บ่อยๆต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆเบื้องต้นก็ให้ดึงเข้าหาพุโทโธก่อนดึงเข้าหา อาณาปณะสัทหาลมหายใจเข้าออกก่อนหรือถ้ามีปัญญามีความสามารถก็เดินเข้าหาอาการสามสิบสองเลยก็ได้ผมขนเล็บปันห น, นังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปท่านเดินเข้าหาร่างกายก็จะเป็นปัญญาเป็นไงกับตัน ตั้งแต่มาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเนี่ยรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าบ้างไ้ยหรือถอยหลังมั้ตอน่านจกลงไปพอได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์นะไม่ได้พาให้หลงทางนะใครอยากจะถวายของเข้ามาก็ได้นะเดี๋ยวจะได้ตอบ ป, ปัญหาต่อไป ดีได้ครับเป็นหมออยู่ที่ไหนมบูอแล้วคุณเป็นหมอบอรได้หมออระบบคอมพิวเตอร์่ะอยู่ที่้องชอนนี่แหละอยอรรื่ออยู่บางแสอยู่บางสมบูในโรงพยาบาลไ่มใหญ่ไหมกี่เตียงอจสี่ร้อยคะอก็เป็นเหมือนกับเป็น เป็นศูนย์ดอนออกได้นะก็รักษาทุกโลกมีผ่าตัดมีอะไรรักษาไงก็ตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วก็มีเห็นก็รักษาไปแต่อย่าไปหลงคิดว่ามันจะไม่ตายก็แล้วกันในเวลาคนไข้าตายก็อย่าไปเสียใจ ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราทำดีที่สุดแล้วอย่ามาโทษตัวเราเองให้เสียเวลาไปบา่บา่ไม่มีใครยับยั้งความตายได้เึงแต่ว่าขออย่าให้เกิดจากการสับเท่าเกิดจากการประมาทของเราแ้วกันเอาละทำอะไรด้วยการมีสติใช้ปัญญามีความรอบค้อบ ถ้าเราทําดีที่สุดแล้วมันสุดวิสัยก็งถือว่าเป็นเรื่องของอ น, นิจังทุกขังอ น, นัตตาไปเราเราจะสบายใจใ <Okay. S 1> นหมอบางคนก็ทุกใจนะเวลารักษาคนไข้แล้วตายไปเนี่ยบางดีก็โทษตัวเองความอยากให้ก็หายทําให้เราทุกข์ใจเั <Okay. S 1> นั้นต้องมีธรรมะบ้างพยายามศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมบ้าง จิตใจของเราจะได้มีที่เพิ่งเป็นหมอนี่เราเจออยู่ใกล้กับความทุกข์มากใกล้กับความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครจะใกล้กว่าหมออารยรสัจจะทำความจริงทุกข์คืออะไรก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัทภากจากกันหมอเนี่ยจะน่าจะบรรลุธทรได้ก่อนใคร ถ้าพิจารณาอยู่บ่อยๆฟ อ, องได้นี่มันรู้ได้เลยว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟมารวมกันเป็นอาการสามสิบสองนะเดี๋ยวมันก็ต้องแยกจากกันไปใไนที่สุดพิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายนี้มันไม่สวยงามเลยมีแต่ของสโปรกมีแต่ของหน้าเกลียดหน้ากลัวอยู่ภายในร่างกาย ถ้าเป็นจาางนี้แก็บรรลุทำได้เร็วเลย ว, นนวันนี้พอมีอะไรมากระทบใจคขาอาจารย์สติหาย<อ>าโสะโมหะออมานะมาหมดครบเลยคนระับข้อสอบของเรานะดีแล้วล่ะมันไม่เนี่ยมันจะไม่รู้ไงว่ า, าปฏิบัตไิได้ได้ตามสบายอย่าไปถือ อะไรให้ถือว่าเป็นการเข้าห้องสอบของเราก็แล้วกันดูกค่นี้แล้วมันก็จะหัวละได้โอ้เรายัางสอบไม่ผ่านเหมือนกับมีนิทานเล่าให้ฟังว่าคุณยญิงคุณนายไปฟังเทศหลวงปู่หลวงตาแล้ว ฟังเราประทับใจจิตสงบบอกันหลวงปู่หลงตาโอ้ตั้งแต่ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมมานี่กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันหายไปไหนหมดไม่รู้อีตอแหลโอ้เร า, าขึ้นเลยโอ้ขนกลับ ม, มาหมดไหมเราอย่าไปคิดว่าจิตเราสงบแล้วมันไม่มีกิเลสแล้วนะเรายังไม่ได้เข้าห้องสอบกัน ยังไม่ได้เจอข้อสอบข้อสอบก็คือการการการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบ <c oughs> การสูญเสียสิ่งที่เราชอบเนี่ยคือข้อสอบเวลาเจอของไม่ไม่ชอบนี้ของขึ้นเลยฮ <c oughs> เวลาเสียของที่เราชอบไปนี่ของขึ้นเลย <c oughs> อาจารย์ครับออช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจครับอาจารยา์การกินเจเนี่ยได้อานิสงส์หรือคุณด้านใดบ้างครับอาจารย์มันจะได้เฉพาะคนที่เขาปกติเขาต้องฆ่าสัตว์เพื่อกินเป็นอาหารเช่นเวลาสมัยก่อนอาจจะไม่มีตลาดแล้วคนอยากกินอาหารเขาก็ไปหาในบึงในในน้ำ ไปดักสัตว์ไปยิงนกไปตกปลาเพื่อจะได้เอามาทำเป็นอาหารตรงนี้เขาต้องฆ่าเพื่อกินกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารถ้าละเว้นได้ก็จะละเว้นการฆ่าได้ก็เป็นอนิสงส์แต่สมัยนี้คนที่เขาไม่ได้ฆ่าแต่เขากินเนื้อสัตว์อยู่จะกินไม่กินเขาก็มันก็ไม่ต่างกัน เพราะว่าบาปมันไม่ได้อยู่ที่การกินเนื้อสัตว์เนื้อไม่กินเนื้อสัตว์แต่อยู่ที่ว่าฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์ผู้ที่กินเนื้อสัตว์แต่ต้องฆ่าสัตว์เนี้ยนั้งอย่างนี้ถึงจะบาปเช่นไม่มีตลาดไปซื้อของที่เขาฆ่ามาแล้วของที่ตายมาแล้วต้องไปฆ่าเองชงไปเองนกตกปลาเองเพื่อจะได้มี ทำมาเป็นอมาทำเป็นอาหารอย่างนี้ถ้าเขาถือกินเจเขาก็จะหยุดการยิงนกตกปลาไปก็เขาก็จะหยุดการฆ่าสัตว์ไปสําหรับคนอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์เพราะจะได้มีศีลลนะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่คนที่กินเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้เป็นเป็นคนที่สั่งให้เขาฆ่าหรือว่าฆ่าเองนี้ก็จะไม่มีผลแตกต่างกันอย่างไร เข้าใจไหะเพราะว่าก็ไม่ได้ฆ่าอยู่ดีอันนี้ถึงถึงต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ที่การกินมันอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่าถ้ากินเนื้อสัตว์แต่กินเพราะว่าสัตว์มันตายแล้วแล้วกินไม่กินสัตว์นั้นมันก็ไม่พื้นขึ้นมาไม่กินจะโยนเนื้อสัตว์นี้ทิ้งไปก็ก็ได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เสียอะไร มันก็ไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าสัตว์มันยังมีลมหายใจอยู่แล้วเราไปฆ่ามันเพื่อที่จะมาทำเป็นอาหารอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะบาปแต่ถ้าเราถือศีลถ้าเรากินเจเราก็ต้องถือศีลไปในตัวเราก็จะไม่ฆ่าดังนั้นคนที่ฆ่าคนที่รับประทานเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้ฆ่าหรือไม่ได้สั่งให้เขาฆ่านี้ก็เหมือนถือก็เหมือนคนกินเจดีดนี่ ไม่ต่างกันตรงไหนแต่กินไม่กินมันก็ไม่ได้ผิดศีลข้อห้าอยู่ดีศีลข้อที่หนึ่งอยู่ดีก็คือท่อปาณาติบาอเ่็งเราอย่าไปคนที่บอกกินเจแล้วได้บุญมากๆอย่างวัวควายมันก็ต้องได้กินได้บุญมากใช่ไหมว <c oughs> ัวควายมันกินแต่หญ้ากินแต่ผักนะมันไม่ได้หรอกวัวควายนี่บางทีมันบาปมันไปกินข้าวของชาวบ้านเขาอย่างนี้ อย่างเงี้ยเป็นค่าอาธินนาข้อที่สองแล้วเอองั้นเราต้องดูที่ศีลห้าข้อนะว่าเราเราการกินของเรานี้ทําให้เราต้องไปผิดศีลห้าข้อหรือไม่ <S <S เช่นกินเจแต่ไปขโมยเงินเข้าไปซื้อของมากินเจอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะบุญไหมใช่ไหมเทศกาลกินเจแต่ไม่มีเงินอยากจะกินเจต้องไปซื้อของเจมากินก็เลยต้องไปขโมยเงินมากิน อย่างนี้ก็มันก็บาปอยู่ดีแะันน้นไม่ได้อยู่ที่กินเจหรือไม่กินเจกินผักหรือไม่กินผักอย่างที่พูดถ้ากินผักฉนั้นพวกสัตว์ที่ไม่กินผักมันก็ต้องได้บุญมากอะยังให้ดูที่บุญอยู่ที่ศีลวาละละเว้นศีลข้อต่างๆได้หรือไม่สีลท่าข้อแรกหรือไม่คนกินเจแล้วยังไปโกหกอยู่ยังไปประพฤติผิดตเวเนอยู่ ยังไปลักทรัพย์อยู่ยังไปดื่มสุราสุราก็ก็เป็นเจมยังไงสุราก็ทำมาจากข้าว <c oughs> อย่างนี้มันก็ไม่ได้บุญอ่ะ ถ้าเราไม่สั่งเขาไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปชี้ว่าเขาทำอแต่เราสั่งว่าเราจะกินปลาปลานื้ปลาปลาปลาเนื้อมะนาวนอะไรเงี้ยนะแต่เรารู้ว่าเขาต้องเอาไปฆ่าด้วยหรถ้ารู้เราก็ไม่ควรจะไปกินที่ร้านนั้นเราไปกินร้านที่เขาเรารู้ว่าเป็นของที่ตายแล้วอของที่ยังเป็นอยู่แล้วเขาจะตายเพราะเรานี่อย่างพระอย่างพระพุทธเจ้าก็ห้ามพระไม่ให้รับอาหารที่มีเนื้อสัตว์ที่ เกิจากการฆ่าด้วยเจตนาลมเพื่อที่จะมาถวายพระโดยตรงเช่นชาวบ้านเห็นพระมาบินฑบาตหรือมามาทุดงอยู่ใกล้ชาวบ้านหมู่บ้านเนี้นานๆจะมีพระมาทุดงทีเห็นพระมาทุดงก็อยากจะทำบุญเยอะๆก็เลยฆ่าไก่มาทำแกงไก่แล้วก็มาถวายพระแล้วก็มาบอกด้วยนะก่อนจะถวายอนนี้สารเนี่ย อยากจะได้บุญมากๆอย่าให้ท่านได้รับประทานไก่สดๆนี้ก็เลยผมจะได้บุญมากๆก็เลยข่ามั น, นข้า่าเงี้ยรับไปได้ท่านห้ามไม่ให้รับแต่ถ้าเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านเขาเขาเคยกินอะไรเขาเคยข้าอะไรเป็นอาหารแล้วเขาแบ่งของที่เขาทามานี่มาถวานนี้รับได้ถ้าเขาไม่เจาะจงทาเพื่อเป็นการทาบุญเป็นการถวายพระโดยตรงรับบอก ขอพระพให้ลวยถ้าไม่บอกก็ไม่ก็ไม่เป็นไรพพเพราะพระพทเจ้าไม่ต้องการส่งเสริมให้เขาฆ่าไงอย่างเงี้ยถ้ารับอย่างเงียถือว่าเป็นการส่งเสริมแต่เรื่องของคนที่เขามีอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วเอาเป็ดไก่ไปขายตามตลาดนี้มันไม่ได้เป็นการส่งเสริมเขาคนที่ไปซื้อไม่ได้ไปส่งเสริมเขาเพราะเขาทําเพราะเขาอยากจะหาอะไรได้จากการกระทําอย่างนี้ แต่ถ้าเราไปสั่งเขาล่วงหน้าเช่นเราขายข้าวมันไก่ทุกวันเราก็สั่งเขาเพวกเนื้อไก่สามตัวอันนี้ยอย่างเงี้มีส่วนบาปสั่งก็ดีทําเองก็ดีสั่งเขาก็ดีสั่งห้างให้ทําก็ดีแต่ทุกเช้าเราไปตลาดแล้วก็ไปดูว่ามีไก่ไหมวันนี้มีแล้วก็ซื้อมาถ้าไม่มีแล้วก็นั้นก็ไม่ต้องขายไก่ไปขายข้าวเปล่าไป mm hmm. <laughs> อย่างนี้ก็ไม่บาปไไม่เป็นการส่งเสริมเขา อยู่ที่ตัวคนกระทำเขาเราไม่ได้ไปสั่งไปไปสนับสนุนอะไรครับอย่างนี้อย่างที่คุณกัปตันท่านถามว่าตามร้านอาหารนี้ครับถ้าเกิดเราใช้อุบายแกล้งเดินผ่านตู้ปลาแกล้งมองไม่เห็นบ่อปลาอย่างนี้มันจะได้ไหมครับอาจารย์ก็คำว่าแก้งมันก็บอกแล้วมันแกล้งเพราะคงมีคนทำเยอะครับเลยมันดูอยู่กระจายอยู่แล้ว แค่มองไม่เห็นแล้วเดินก็โตเออเลยถ้าจะให้ชัวชัวรสั่งก็ได้ว่าเอาของตายแล้วนะงนี้เราก็พ้นมนถิ่นละออย่าเอาของเป็นมาฆ่าให้เรานะถามก็มีของที่ที่ตายแล้วไอมถ้าของมีของที่ตายอยู่แล้วงนี้ก็ได้เผือก็อาจจะฆ่าแล้วมันมีเหลือค่าขายคนอื่นแล้วมันยังมีเหลือองนี้อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นบาปแล้ว ทางที่ดีก็อย่าไปกินร้านอาหารอย่างนั้นแต่ร้านอาหารอย่างนั้นบางทีเขาก็ใส่บาดมาก็มีเหมือนกันนะที่เราไปสายบินตาบาตแล้วนี่มันมีร้านสีฟูอยู่ต้งสา ม, ส, ามสี่ร้านสี่ห้าร้าน เ, เ, <laughs> เขาก็ใส่บาดแต่เราไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปบอกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเราเ อ, อันนี้ก็ ก็ภาก็เขาใส่มาแล้วจะกินไม่กินมันก็เขาก็ทำมาแล้วใช่ถ้าเขาไม่ได้พูดเจาะจงบอกเราว่าบอกว่าว่าเออเนี่ยทำเพื่อถวายท่านค่าเขามาแล้วเพื่อถวายท่านถ้าอย่างเงี้ยถึงบาปเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นของตายแล้วที่เขาขายไม่ขายไม่หมดนี่แล้วก็ทำมาใส่บายก็ได้ ที่เราเป็นพระก็ต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่ปิดจนมากจนเกินไปเพราะก็จะไม่อยากจ ะ, ะทำให้การทำบุญยากลาบากอย่างพระนี่ไม่ควรที่จะไปมีบางวัดเี็นว่ามีใบปิวเขียนติดเห็นว่าวันนี้กินเกแล้วเวลาเห็นญาติโยมใส่เนื้อสัตว์มาเขาจะเอาใบาปิวนี้แจกให้ญาติโยม ไอ้อย่างนี้ถ้าว่ามันไม่ถูกลักษณะของสมรระเพศของผู้ที่ยินดีตามดีตามเกิดไม่ไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านเขาไม่ให้ไปสั่งชาวบ้านให้เขาใส่สิ่งนั้นหรือไม่ใส่สิ่งนี้ให้ปล่อยไปตามอัธยาศัยของเขา เ, เพราะคนบางคนเขากินกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นปกติของเขาอยู่แล้วทุกวันแล้วเวลาทำทาแกงขึ้นมาเขาก็อยากจะ ถวายพระเขาก็แบ่งแกงที่เขาจะกินนั้นแบ่งมาถวายพระถ้าจะให้เขาทําอาหารพิเศษเพื่อมาถวายพระบางทีเขายุ่งยากกูไม่ทํำดีกว่าเนี่ยนะเราไม่กินเนื้อสัตว์เขาก็ต้องไปซื้อผักมาทําเฉพาะอย่างเงี้ยหมือนก็ยุ่งยากสำหรับคนที่ยังไม่มีศรัทธามากเขาก็เขาก็อะไรคิดว่าไม่คิดไม่ทํามันก็ดีกว่ายุ่งมากเรื่องมากเราก็ไปปิดกั้น ประตูบุญของเขาทางบุญของเขาพระเจ้าทรงสอนว่าให้พระยินดีตามมีตามเกิดยกเว้นในกรณีที่เขาฆ่าโดยเฉพาะเจาะ จ, จงแล้วบอกให้รู้อย่างนี้ถึงต้องบอกเขาถ้าอย่างอื่นแล้วก็ปล่อยเขาไปเนื้อสัตว์ที่เขาใส่มาในบางนี้จะมาแบบไหนเราไม่รู้แล้วล่ะ อาจารย์ครับเทศ ก, กาลกินเจเนี่ยบางวันเราพร้อมกินเราก็กินบางวันเราไม่กินเราก็ไม่อยากกินเราก็ไม่กินนะครับเนี้ยพระอาจารย์แต่ว่าเรามองไปว่าเราทําบุญอยู่แล้วทํานอนิสงส์ต่ออื่นอยู่แล้วเนี่ยเราเลยเก่งแค่อ น, นิสงส์เมตตาจากการกิ น, นตรงนั้นแค่นั้นครับถือว่าเป็นมานะไหมครับมันเป็นความหลงมากกว่าอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสียเรื่องอะไรเลยเรื่องกินเนี่ย วันนี้กินเจพรุ่งนี้ไม่กินเจมันไม่ได้ทำให้เราบาปหรือไม่หรือหรือไม่บาปเลยเราจะบาปหรือไม่บาปอยู่ที่ว่าเราเะเมิดสินห้าหรือไม่ทางห้าอ๋อไม่ใช่ครับอาจารย์คือว่าไปมองไปมองว่าทำบุญอยู่แล้วเนี่ยบุญตัวอื่นเนี่ยได้มากกว่านี้ถือว่าเป็นหลงมากไหมครับอ๋อ บ, บุญแต่ละตัวนี่มันเป็นคนละระดับกันไงบุญระดับทานนี้ก็เป็นระดับแรก ถ้าเปรียบเที่ก็เป็นเหมือนขั้นอนุบาลหรือขั้นประถมส่วนบุญระดับศีลนี่ก็เป็นขั้นมัธยมส่วนบุญระดับภาวนานี่เรียกขั้นอุดมศึกษาแต่มันอยู่คนละระดับกันมันทดแทนกันไม่ได้แต่มันเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปก่อนที่เราจะเข้าสู่อุดมศึกษาได้เราก็ต้องเข้าสู่ขั้นมัธยมก่อน ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นมัธยมได้เราก็ต้องเข้าขั้นปฐมขั้นอนุบาลก่อ น, นั้นทานนี้เรียกว่าเป็นขั้นอนุบาลเพราะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุดระหว่างทําทานกับรักษาศีลนี่อันไหนง่ายกว่ากันใช <c oughs> ่ไห้แต่ที่ทําที่รักษาศีลไม่ได้ก็เพราะว่ายังทําทานไม่ได้ถ้าทําทานได้แล้วเดี๋ยวศีลก็จะรักษาได้เพราะคนทําทานจะเป็นใจบุญคนใจบุญจะมีความเมตตาจะไม่ชอบทํำบาป มันจะเป็นอ น, นิสงส์ตามมาทันทีเหมือเมือนกับคนที่เรียนจบประถมแล้วมันก็ต้องขึ้นชั้นอ่ะชั้นมัธยมได้อย่างง่ายดายคนที่ยังไม่เข้าชั้นประถ ม, ะม่าไปเข้าชั้นมัธยมนีะเข้าได้อย่างไรเรียนตามเขาไม่ทันอย่างพระเจ้าถึงสอนทำเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นแรกเรียกว่าทานาให้เราเสียสละแบ่งปันรับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเราจะได้เกิดความเมตตา ความเมตตาก็จะทำให้เราไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นให้อภัยผู้อื่นได้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคนที่มีความปรารถนาดีก็จะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นทำอะไรก็จะระมัดระวังว่าทำแล้วจะทำให้เกิดผลเสียหายกับคนที่เราเรารักเราเราชอบหรือไม่ความเมตตาก็คือความรักนี่ เวลาเราให้อาหารสุนัขนี้แสดงว่าเรารักสุนัขนะเราก็จะไม่ไปทุบไปตีเหมืนแต่ถ้าเราไม่ให้อาหารสุนัขนี้บางทีเห็นสุนัขมาก็เตะไปบ้างตีันบ้างเนี่ยเงเพราะว่าไม่รักมันไม่มีความเมตตาล้ว <c oughs> เราต้องสร้างความเมตตาด้วยการให้ทานพอทําทานได้แล้วเราก็จะมีความเมตตาเราก็จะรักษาศีลได้ พอรักษาศีนได้ใจก็จะเย็นใจจะสบายก็จะทําให้ภาวนาได้นี่มันเป็นขั้นกันมันสนับสนุนกันขั้นภาวนาก็มีสองขั้นขั้นแรกก็เรียกว่าสมถะภาวนาทําใจให้สงบ ก, ก่อนให้นิ่งก่อนพอใจนิ่งแล้วก็จะมีกําลังต่อสู้กับตัณหาความอยากจะมีอจะเห็น ความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากตอนนั้นก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจว่าอยากไปอยากแ้่ไม่อยากจะทุกข์เพราะว่าเวลาอยากนี้ใจมันจะร้อนขึ้นมาทันทีใจที่สงบนี้เวลาอยากปั๊บมันจะกระเพิ่มขึ้นมาเป็นลุกขึ้นขึ้นมามันจะเห็นเลยว่า อ, อ๋อความทุกข์ไม่อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ความอยากนี้ ก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์แล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะงจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่ได้มามันไม่เที่ยงเวลามันไม่เวลามันจากเราก็จะทำให้เราทุกข์มากขึ้นอย่างตอนนี้คนไม่มีลูกคนไม่ทุกข์หรอกเดี๋ยวรอให้คุณมีลูกดูดินี่จะทุกข์กับลูกแล้วเนี่ยเพราะอยากจะให้ลูกไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตาย ก่อนวัยถ้าเกิดลูกเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บแป๊บนี่โอ้ยวุ่นวายแล้วเนี่ยความทุกข์ที่ได้จากการได้สิ่งต่างๆมาเพราะสิ่งต่างๆมันไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมมันจะเสื่อมไปเท่าเล็กเท่าน้อยเสื่อมช้าเสื่อมช้าเสื่อมเร็วมันต้องเสื่อมและมันต้องหมดไปในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ชอบ ของที่เรารักเราชอบนี่เราไม่อยากให้เขาเสื่อมเราก็จะเกิดความอยากอยากไม่ให้เขาเสื่อมก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าถ้ามีก็มีไปจะเสื่อมก็ต้องปล่อยมันเสื่อมไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์ถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ กับร่างกายของเราเราก็จะไม่ทุกข์ร่างกายเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหลีกเลี่ยงไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เราก็ทาเตรียมตัวเตรียมใจรับกับมันไปมันก็จะไม่ทุกข์เ <c oughs> นี่ยอ น, นิสงส์ของปัญญาอยู่ตรงนี้จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์จะระงับความอยากได้ พอจะรู้ว่าอยากไปก็เท่านั้นอยากไปก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้การที่จะคิดอย่างนี้ได้ใจต้องสงบก่อนถ้าใจไม่สงบกิเลสมันต่อต้าน ท, าทันทีพอคิดถึงความตายใจจะหดหู่ขึ้นมาทันทีจะไม่อยากคิดพอไม่คิดมันก็เลยไม่ยอมรับความจริงพอเวลาเกิดความจริงเกิดความตายขึ้นมาก็รับไม่ได้ทุก ท, ทันทีเนี่ยมันเป็นขั้นๆไป ทานสนับสนุนศีลศีล ส, สนับสนุนสมาธิสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาสนับสนุนการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมันต้องไปอย่างนี้ทุกคนจะมาข้ามขั้นตอนไม่ได้พอมาศึกษาธรรมะปั๊บก็จะขอเข้าขั้นวิปัสนาเลยนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าจิตยังไม่มีสมาธิเป็นวิปัสนาไงก็เป็นวิปัสนูโไปหมดหลงไม่หมด หลงไปเองคาดไปเองบรรลุไปเองโดยที่ยังไม่มีการอะไรเปลี่ยนแปลงในจิตไปจิตคิดไปเองว่าถึงขั้นนั้น แ, ล, แล้วถึงขั้นนี้แล้วแต่พอเจอข้อสอบปั๊บนี่ยระเบิดออกมาเลยเนี <laughs> ย่ <c oughs> ยแต่การในการปฏิบัติธรรมคือเือให้ถึงมะกับมรรคผนิพพานนี่ก็ตั้งแต่ขั้นขั้นแรกไปตั้งแต่พระโสดาบันก็ตั้งแตามีนาขามีจนถึงระหันจนถึงนิพพานนี่นะครับ <c oughs> ในแต่และขั้นเนี่ย ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะดูได้โดด้วยนสันติโกสันติโกนี้การปฏิบัตินี่ถ้าผู้ที่มีอภิญญาเมือท่านครูบาอาจารย์ท่านมีอิญาที่สงว่าเราเอาอา6ท่านสามารถที่จะร้ได้ไม้ว่าเรจท่านกยกรู้ไม่ได้แต่รู้ได้อย่างพระพุทธเจ้าพออัญญาณกรธัะบรรลุโสดาปันพระพทเจ้าบอกเอออัญญาณกรธัะเธอรู้แล้วเนาะธรู้แล้วเนอเห็นอริยสัจ4แล้ว ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วพานเห็นแหละผู้ที่มีอภิญญานะแต่ผู้ไม่มีอภิน ญ, ญานนี่บางทีไม่รู้ต้องคุยกันถ้หาหรหันบางรูปไม่มีอภิญญาจะไม่รู้แต่อาจจะรู้ในกิริยาการท่าทางการกระทําอันนี้ต้องใช้เวลามากต้องดูไปนานๆแต่ถ้าจะเห็นตั๊บรู้ปั๊บนี่เห็นข้างในปั๊บนี่ต้องมีอภิญญาต้องอ่านวา่าลจิตของผู้อื่นได้ เช่นพระพุทธเจ้า น, นี้อ่านวาลลจิตของผู้อื่นได้แต่ถ้าอ่านไม่ได้ก็ต้องคุยกันถึงจะรู้ว่าการที่จะไปพยากรว่าท่านใดสําเร็จชั้นไหนไม่ถูกว่าถูกต้องถ้าสําเร็จแล้วก็ถูกต้องแต่การจะไปพยากรณ์ว่าวัน น, น, นี้วันพรุ่งนี้นี่ก็อาจพยากรณ์ได้อย่างพระอย่างพระอาน์ น, นีิ พ, พุทธเจ้าก็พยากรณว่าสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าบาอบาลีนิ้ผ่านไปแล้วอานุนจะบรรลุ 阿拉าาตะผลภายในวภายในเวลาสามเดือน อ, อานนท์ก็เร่งความเพียรแทบเป็นแทบตายพอถึงคืนสุดท้ายนี่ชิน้ชานายแล้วไมบรรลุ<笑>ครบสามเดือนนะใกล้จะสว่างแนละ้วก็เลยปองเลยกูค ง, งไม่ได้บรรลุนะ<笑>เพราะปองปั้นบรรลุเลยเอเพราะความอยากอยากบรรลุไงมันเลยไปขวางกันความอยากบรรลุนี่ก็เป็นกิเลส ครับเวลานั่งสมาธิอยากจะสงบมันจะไม่สงบทันทีนะคบอกไอ้รู้ก่อนที่ผมกำลังแยกระหว่างความอากกับความตั้งใจอ่าต่างกันตั้งใจก็คือว่าตอนนี้เราจะนั่งสมาธินนี้คือความตั้งใจแล้นั่งแล้วก็อย่าไปคิดถึงความผลที่จะเกิดขึ้นเอ๊ยยังไม่เกิดสักทีทำไมยังไม่เกิดสักทีไอ้เงี้ยอยากแล้วต้องอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวถ้าเราตั้งใจมั่งๆสมมติว่าเราอยากที่จะสาเร็จ ว่าผลทีานในระดับแรกสมดานเนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นต้องพิจารณาร่างกาย็องเปนความามยไม่อยากที่จะเป็นสมดานไม่ไม่ไม่พระพุทธเจ้าก็อยากจะตัดสั้ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ตายภายต้นโพนี่ว่าถ้ามันยังไม่ตัดสั้ก็จะไม่รู้จากที่นั่งนี้ไปแต่พอทําแล้วก็ท่านก็ไปมานั่งคิดแต่เรื่องอยากจะตัดสั้นถ้ามาคิดถึงเหตุที่จะทําให้ตัดสั้ เช่นกับการอยากจะพาเครื่องบินเครื่องนี้อยากจะให้มันบินเนี่ยไม่ใช่พอนั่งเครื่องแล้วเฮ้ย <c oughs> hey, มึงบินขึ้นไปสิบินขึ้นไปสิ <c oughs> อยากให้มันบินเนี้ยแต่ตัวเองนั่งเฉยเฉยไม่ทําอะไรมันก็ไม่บิน เ, นเห็นไหมอยากจะให้บินก็ต้องสตาร์ทเครื่องต้องอะไรตามทํตาตามขั้นตอนของมันเดี๋ยวถึงเวลามันก็บินได้เองต้องแยกว่าความอยากเวลาอยากแล้วไม่ทําเนี่ยไม่ได้อยากแล้วทาตามตามเหตุที่จะทําให้เกิดผลนี้ได้พออยากแล้วก็ต้องไปทําเหตุต่อ อยากกินข้าวจะทําไงอยากจะอิ่มเนี่ยทำไงก็ต้องไปหาข้าวไม่ใช่มานั่งคิดอยากจะอิ่มอยากจะอิ่มทามันไม่อิ่มทักทีก็ไม่ไปตักข้าวมากินอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาอยากจะบรรลุ ก, ก็ต้องเจริญมรรคให้มากครับขั้นโสดาบัานก็ต้องโสดาปฏิมาพิจารณาเอขันห้ารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขงนะังอนัตตา พอเห็นว่ามันก็มันก็จะละความอยากไม่แก่ไม่จิตไม่ตายได้พอละได้มันก็บรรลุดได้อ <c oughs> ผลจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การละความอยากนี่ตัวความอยากนี่เป็นตัวเชื้อโรคหมอรักษาคนไข้ก็ต้องฆ่าเชื้อโรคให้ตายยาก็คือมรติปัญญาการพิจารณาการเจริญมรรคเนี่ยเรียกว่ายาธรรมโอสฐ เดินเพื่อที่จะเห็นความจริงว่าทํายังไงอยากยังไงมันก็มันก็ดับความแก่ความเจ็บความหยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้พอเห็นอย่างนี้ยอมรับความจริงมันก็แก่ก็แก่ว่าตายก็ตายว่าเจ็บก็เจ็บว่าแค่นี้มันก็มันก็หายทุกขกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้วแต่มันจะหายจริงหรือไม่หายจริงก็ต้องไปพิสูจน์ดูเข้าห้องสอบดูตอนที่รับ พิจารณาอยู่นั้นยังไม่มีเหตุการณ์จริงให้เกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้<อ>รก็ต้องไปหาที่เช่นนั่งให้มันเจ็บแล้วอเจ็บว่ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปจะไม่ลุกให้มันหายเองถ้าหยุดความอยากให้มันหายได้มันจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายมันก็จะรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่กลัวความเจ็บแล้วเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บแล้วพูดง่ายๆแต่เราห้ามความเจ็บไม่ได้มันก็ยังจะเจ็บต่อไป จนกว่าร่างกายนี้มันจะตายไปแต่เราจะไม่ทุกขกับมันแล้วส่วนความตายเราก็ต้องไปหาที่เสี่ยงภยัยเช่นเครื่องมันดับอย่างเงี้ยเราดูซิว่าใจเป็นยังไงเอาตายก็ตายวะ่ะใจก็ยังเย็นยั ง, ยงสบายยังแก้ไขปัญหาไปอย่างใจเย็นๆแก้ได้ก็แก้แกไม่ได้อย่างมากก็ตาย เอก็เรียกว่าบรรโดได้ขณะที่นั่งถ้าเรานั่งแล้วเกิดเวทนานกเกิดมาว่าแล้วก็เราก็<ม>าใช้วางอุบเบกข า, ากช่วยขยายความความว่าอุเบกขาค่อนางที่จะกว้างก็ปล่อยเฉยๆไงปล่อยมันเฉยๆไม่ไปยุ่งกับมันไงไม่ไปยุ่งกับเวทนาไม่ไปอยากให้มันหายพูดง่ายๆพอเกิดความเจ็บแล้วใจเราเป็นไงอยากจะให้มันหายถ้าไม่อยากให้มันหายก็อยากจะหนียากมันไปอยากจะขยับแข่งขยับขาอันนี้เรียกว่า เกิดความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความกรธโกรายความนุ่มร้อนใจทุกข์ใจขึ้นมาพอพอบอกว่าเราถึงแม้เราจะขยับตอนนี้เดี๋ยวมันก็ตามมาใหม่อยู่ดีมั น, ม, นมันต้องเจ็บอยู่ดีหนี้มันไม่พ้นยังสู้สู้กับมันดีกว่าใจดีสู้เสือมันกขาหรือไม่สนใจจะเจ็บก็เจ็บไปแล้วนั่นแหละอะนั่นแหละเรียกว่เบรคขาใจาเบรขาได้ก็ต้องรู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ ไปสั่งให้มันหายไม่ได้หนีมันไม่ได้หนีมันวันนี้พวกนี้มันก็ตามมาเราอยู่ดีอย่างเราก็อยู่กับมันไปเหมือนเงาเงาของเรานี่เราหนีมันได้ไหมยอยู่ตรงไหนมันก็ตามเราไปอยากถ้าอยากจะให้มันหายไปนี่จะเครียด น, นะอยากให้ไม่อยากจะใ ห, กให้ไม่มีเงาเนี่ยออ นะต้องทําใจปล่อยวางต้องหยุดความอยากพอหยุดความอยากแล้วใจมันก็จะเป็นอุเบกขาเอง <c oughs> ที่มันไม่เป็นอุเบกขาเพราะมันอยากเราก็ต้องเห็นว่าอยากนี่ทําให้ใจไม่อุเบกขาทําให้ใจทุกข์แต่พอใจหยุดความอยากพอหยุดความอยากฟับใจก็จะเป็นอุเบกขาความทุกข์ก็จะหายไปอุเบกขาก็คือความสุขนความสุขที่เราได้จากนั่งสมาธินี่ก็เป็นอุเบกขาแบบเดียวกัน พอปล่อยความอยากได้รับจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบทันทีเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายเลยพอทำนี้ได้ต่อไปก็จะไม่กลัวความเจ็บแล้วเพราะเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับมันนะก็คือทำใจปล่อยวางมันเกี่ยวข้องกับไอ้ความเจ็บนั่นเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมในเวรมาทาไม่เกี่ยวหรอวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยับที่มีร่างกายนี่ ถ้ามีร่างกายมันก็เจ็บถ้าไม่มีร่างกายมันก็ไม่เจ็บเลยเกิดแก่เจ็บตายการเจ็บมันมาเกิด ม, มาจากความการเกิดถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีความเาจ็บทานอาจารย์คะอย่างเวลาที่เราปล่อยปล่อยวันความเจ็บได้เนี่ยคือหลายหลาครั้งก็จริงแต่ว่าพ อ, อ, อพอเราเว้นระยะไปนะคะพอมันเริ่มปวดเจ็บอีกเนี่ยเรารู้สึกแย่ๆนี่แสดงว่ายังมีความอยากอยู่ ยังไม่เห็นอริยสัจ ส, สีตลอดเวลาต้องเห็นอริยสัจ ส, สีตลอดเวลาไม่ว่ากับเรื่องอะไรทั้งนั้นที่ใจเราไม่สบายก็เพราะเราไม่เห็นตัณหาความอยากเป็นต้นเหตุของการทำให้เราไม่สบายใจก็คือว่าตัวในส่วนของไปขนาดนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆซ้ำๆอย่างน้ใช่หมคอจนกว่ามันจะเห็นชัดเจนว่าที่รับมปนไม่ได้ก็เพราะไรงอยาก อยากไม่รับมันอยากให้มันหายไปอยากไม่เจอมันพอเจอมันก็แยงแยงขึ้นมาทีต่อไปถ้าเห็นแล้วก็ต่อไปเห็นก็วิ่งหัวมันเลยอย่างนี้ยแสดงว่าอไม่มีความอยากยินดีต้อนรับเหมือนได้พบกับคนรักนี่ได้พบกับคู่รักเปงนจุดแี้แถวกรจายลาวาน่านะคะยังความเจ็บตรงนี้แล้วก็ นานกว่าจะงานแต่ก่นอกนที่จะเจ็ดมันมีความที่เสกวางกันคืกลมกันระหว่างคันระหว่างอะไรนี้คือนั่นก็เหมือนกันนั่นก็เป็นเวทนาเหมือนกันคันก็เหมือนกันก็ต้องปล่อยมันเหมือนกันบอกม้วนมากเลยอย่าไปเกามันอย่าไปเกามันใบมันคันไเอไถ้าเผากําหมนดก็ไม่เชื่อเราก็องคิ้องาถ้จะตายเนี่ยนะมันก็คงเป็นแบบนี้แหละเยอะมากกว่านี้ดีมีละที่โไม่มาให้ แค่เดินแค่จานหายไปก็เราไม่กลัวมันแล้วมันก็หายไปเลยแต่ทีนี้ช่วงระหว่างก่อนมันจะหายแต่ว่าจาย์จะเดินไม่จะท่องจะท่องกรรมฐานหยุดแค่นั้นแต่ตอนนี้ที่ป้าจาย์สอนนี่เอจะลองพามันมาปุ๊บหยุดกรรมฐานแล้วก็ดูมันเฉยๆดูเฉยๆดูต่อในจานแต่มันรู้มาเหมือนจะเริ่มจะคิดมันมีความรู้สึกนั้นกาลังจะผ่านผ่านอะไรก็อย่างหนักหนาหนาบางบา หนักหนักหนาหนาใสใสแล้วก็เริ่มมีความทิดทุกข์จะถอยออกมาพอถึงจุดนั้นก็จะป้องกันมาขัดสอบแล้วเอาตีแบบนี้เอาใช้ฟ้าแบบนก็คนมันคนดูข้อสอบตรวจข้อสอบเองคณต้องถามตัวเองมันพอใจหรือยังมันต้องเห็นอารยสัจสีต้องเห็นทุกสมุทัยนิโรธมาก มันถึงจเรียกว่าเห็นจริงเห็นธรรมจริงอริยสัจมันมีอยู่ในทุกตัวในเวทนาก็มีอริยสัจสี่ในความตายก็มีอริยสัจสี่ในการมารุมก็มีอริยรรสัจความหมุนหงิดใจลำคาญใจเวลาใครทําอะไรไม่ถูกใจมันก็มีอริยสัจสี่เราจะเห็นตัวอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราจะลดหยุดมันได้เปล่า เช่นคุณไปเจอคนที่ไม่ถูกใจขึ้นมาเขาทำท่าทางกิริยาการขึ้นมาอันนี้คุณก็ไม่พอใจเพราะคุณอยากให้เขาทำแสดงกิริยาการอีกอย่างหนึ่งแต่คุณต้องพิจารณาคุณไปสั่งเขาได้หรือเปล่ปาห้ามเขาได้หรือเปล่ปาเขาเป็นอนัตตาหรือเปล่ปาห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องห้ามห้ามใจเราทั้งนอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราห้ามใจเราได้เราก็เย็นสบาย ขออย่าทำอะไรก็เรื่อของเขาประทานนั่นเองแต่ใจของเรามันมีอุปทานเยอะมันมีรูปแบบของมันเยอะคนจะทำอะไรต้องอยู่ในรูปแบบของเราอเพอออกนอกรูปแบบของเรานี่เครียดขึ้นมาทันทีเราต้องปล่อยให้มันไปออกต้องปล่อยให้มันออกนอกรูปแบบไปใครจะเมาเหล้าไหมกระโดดโวยวายตรงนี้ก็ปล่อยมันกระโดดไป ถ้ามีกำลังจับมันได้ก็จับมันมัดจับมันลากมันออกไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเหมือนเวลาฝนตกเนี่ยเสียงดังลั่นเลยเราไปโกรธฝนหอป่ะไม่โกรธใช่ไหมแต่ถ้าใครมาเปิดเพลงกงการกงกางอนี่นนโกรธเหมืนกัเหมือนก็เหมือนกันแต่ว่าเราเห็นฝนว่าเป็นอ น, นัตตาลรห้ามไม่ได้แต่คนนี่เราคิดว่าเราห้ามก็ได้ บางทีก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันยังต้องมองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนฟ้าเหมือนฝุนเหมือนฟ้าแล้วใจเราจะสบายเราจะได้ไม่ไปไปยุ่งกับเ ข, เขาเขาวุ่นวายแล้วเขาส่งเสียงดังรบกวนเราแล้ ว, ลวก็ย้ายไปที่อื่นเดี๋ยวก็จบปล่อยเขาวุ่นวายก็ไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองทุกอย่างมันอนิจจังไม่เที่ยง กำลังจะถามเลยครับพระอาจารย์ตอบมาหมดแล้วครับมันจะถามวิธีที่วางใจวิดีเลย <c oughs> เออรามองว่าเป็นอนาตาเออไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเ อ, อไม่ใช่ของเราธรรมดาของเราเนี่ยเราคิดว่าเราสั่งมันได้ใช่ไหมเช่นของเราเราจะหยิบไปไว้ตรงไหนแล้วก็หยิบได้แต่ถ้าเป็นของคนอื่นเราไปหยิบไม่ได้ เ, เราต้องมองว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเราไปจัดการไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ อาจจะสั่งได้บางเวลาบางครัง้งแต่ไม่ได้เสมอไปเวลาที่ไม่ได้เวลานั้นนะเป็นเวลาที่จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนนิสัยอย่าไปจัดการเพราะมันจะจัดการแล้วมันติดเป็นนิสัยมันจะจัดการไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องเจอเจอต่อเข้าสักวันหนึ่งพอเจอตอมันก็ทุกข์ขึ้นมาเลยถ้าเราเปลี่ยนนิสัยว่าไม่จัดการกับใครแล้วปล่อยมันไป เราจะจัดการตอนเมื่อมันจําเป็นจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราเราจัดการได้ถ้าเราจัดการไม่ได้เราก็จะไม่จัดการปล่อยมันไปเปลี่ยนสายใหม่ไม่จัดการก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มันก็เสื่อมหมดไปอยู่ดีของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรจีิรังถาวร ล, ลูกเรานี้จะไปจัดการยังไงเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมันก็ไปมีสามีมีภรรยาของเนาะ มันก็ไปของเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเขาก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายของเขาอยู่ดี <c oughs> แต่เราชอบจัดการอะไรที่เป็นของเราเนี่ยโอจัดการมันอยนู่นั่นวางแผนโน้มร้อยแปดพันประการพอไม่เป็นไปตามแผนก็เครียดขึ้นมานี่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเพราะความอยากจะจัดการภาะวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้น พยายามเฝ้าดูไอ้สามตัวนี้ตอนนี้ใจเรากำลังอยากกับเรื่อกลับอะไรอยากในกามกรกรมตัณหาแล้ว อ, อยากมีอยากเป็นแล้ว อ, อยากไม่มีอยากไม่เป็นมันก็มีแค่สามตัวนี้เวลาไม่สบายใจแล้วถ้าปล่อยได้ก็สบายถ้ามองว่าทุกอย่างเราไปสั่งไม่ได้ไปคุมเขาไม่ได้สามพักกรมตัณหานี่คือตัวหมดกรูปทุกสิอในทุกรูปแบบอาหารกการมตัณหาดูหนังฟังเพลงกักรมตัณหา รวมหลบนอนกับแฟนกับกามตัณหาเหมือนกันเพราะมันต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอะที่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่ากรารมตัณหาหมดส่วนการอยากมีอยากเป็นนี่มันก็เป็นเรื่องของนามธรรมาลึกขึ้นไปหน่อยอยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะให้เขาเคารพนับถืออยากจะให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นนี้ท่านก็แยกออกมาจากกามตัณหาให้เป็นภาวะตัณหาไป คนวิภาควัฒนาเขาอยากไม่ให้มันเป็นเช่นอยากสร้างบริษัทตั้งบริษัทขึ้นมาก็อยากจะให้มันเจริญไม่อยากให้มันเจ๊งเพอมันจะเจ๊งมันก็ทุกข์ขึ้นมาหรือร่างกายของเราก็อยากไม่ให้แก่เจ็บตายร่างกายของคนที่เราเลี้ก็ไม่อยากให้เขาแก่เจ็บตายไม่อยากให้เขาจากเราไปอันนี้ก็มันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็คือเราจะคิดจินตนาการเนี่ยเราก็ใช้จินตนาการนิหนอยก็เริแต่เจอไม่คุ้ลุกๆแต่ตอนนี้แบบว่าลองแบบใหม่นะจ๊ะรับกับที่เรากาลังจะเริ่มสตาร์ทจะทุกทีจะเป็นแบบซีนี่จะถึงตายจะเน่าจะเป็นขุ่นนี้มันก็ลองหม่ว่านี่พระอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่จะเห็นแค่อนิจังกับทุกขั่ออาณาจารย์เนี่ย ก็ลองดูก็พอที่มันพิสูจนถึงว่าไข่จะสเปิร์มจะติดสมพิดูที่ถ้ามันส ต, ติดสที่แล้วเนี่ยไปบังคับมันได้ไหมแล้วแุกบัง ค, บบงคับไม่ได้แล้วก็แล้วก็จินตนาการต่ อ, อเดินเป็นโตแก่เสียตายเห็นไหมทิศขันตอนบังคับไม่ได้ดยก็ถึงตายตายแล้วเนี่ยที่ มันจะบังคับให้มันไม่เล่าได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องไปเป็นเส้นจนเป็นเส้นกระดูกปุ๊บจะบังคับให้มันไม่ย่อยต่อได้ไหมก็ไม่ได้ลักษณะนี้เป็นการพิเจารณาให้เห็นนิทานตาแล้ว่าเห็นวใจได้ก็คือให้เห็นนิทาตาเพื่อเราจะได้ไม่ไปอยากไปจัดการกับมันไงก็ต้องดูว่าเราหยุดความอยากที่จะไปจัดการกับร่างกายหรือเปล่า ยัอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่าก็รู้สึกว่าเบาขึ้นนะครับนั่งทำงานขึ้นไปก็ต้องรอเวลาฮะต้องหาข้อสอบดูจนเวลาร่างกายเจ็บนี่เราปล่อยมันได้หรือเปล่ามันเป็นอนัตตาเวลาร่างกายจะตายเราห้ามมันไม่ได้เราเราเราหยุดความอยากที่จะไม่ให้มันตายได้หรือเปล่า ตอนต้นเก่าของคนที่เรารักก่อนก็ได้อคนที่เรารักเวลาจะตายนี่เราทําใจได้หรือเปล่าแล้วก็สาบที่ง่ายๆก่อนลองนึกถึงคนที่เรารักมากๆแล้วนึกถึงกาจะต้องตายวันนี้เราจะเฉยๆได้หรือเปล่าเป็นอุเบกขาได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ออกถึงขันนั้นได้แล้วถ้าได้ขันนั้นแล้วก็มาเอาที่ร่างกายเราวิธี่จะดูว่าร่างกายเราเราปล่อยได้หรือเปล่าก็ต้องเอาร่างกายไปปล่อยไว้ในป่าในที่น่ากลัวในที่มีเสือมีสัตว์อะไรที่จะมากัดมากินมันได้ครูบาอาจารย์ท่านเข้า ป, ป่ากันไปหาเสือหาสัตว์กันเพื่อที่จะได้ทดสอบจิตใจว่าปล่อยมันได้หรือเปล่ากลัวที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นแนละ้ว เพอความกลัวนะที่สุดมันก็คือกลัวความตายนี่ อ, <c oughs> อันนี้ถึงจะรู้ว่าใช้ได้หรือเปล่ามาถามเราตอนนี้เราไม่รู้หรอกวิธีก็คือตามคืนก็ออกมาเดินในป่าโดยไม่ต้องใช้ไฟจะ <c oughs> <c oughs> เดินเหยียบงูให้งูมันกัดก็ปล่อยมันกัดไป เวลาเกิดความกลัวสุดขีดแล้วดูซิว่าใช้ปัญญาละความอยากได้เปล่าละความกลัวได้เปล่าปล่อยร่างกายได้เปล่าที่มันกลัวเพราะมันปล่อยยังไม่ยอมปล่อยยังไม่อยากตายพอพออยากพอไม่อยากจะทุกกับความกลัวก็ต้องปล่อยพอปล่อยแล้วมันก็จะหายกลัวใจมันก็จะเย็นจะสงบ มีความตอนสมัยเด็กๆดูวัยแบบหอมสดวยแล้วตอนแบบว่านะจะแล้วจะให้ทำยังไงถ้มันเกิดบแบบนี้ก็อย <dictionary> ู่ประมาณไปอยู่ประมาณปุ๊บเดียวว่ากาจารมันมันมีความรู้สึกเหมือนจะออกมาอะไรสัวอย่า่แล้วสลับไปสลับวันแตกตัลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะหองโครงนื่อว่าอา ก็ถามปัจจุบัลลนตอนนี้คุณยังกลัวความป่วยหรือเปล่าเห็นไหมมันก็ต้องเอาดูปัจจุบันเป็นหลักว่าตอนนี้เรายังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายหรือเปล่าถ้าไม่กลัวไม่ทุกข์กับมันก็ปล่อยได้ถ้ายังกลัวอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตเคยทามาได้แต่ตอนปัจจุบันยังยังทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังตัดไม่ขาดร้อยเอร์เซ็นต มันมีคําว่าสมุดเฉดไงสมุดเฉตก็คือตัดแบบขาดเลยตัดคอแต่มันยังไม่ขาดนี่ยมันก็ยังมาต่อได้มันเย็บมาต่อได้ต้องตัดให้มันขาดหลุดออกจากบ่าไปเลยนะมันสันติโกของพวกนี้ไม่ต้องถามใครแล้วถ้าใจยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ปล่อย ถ้าใจมันไม่ทุกข์แล้วมันถึงจะรู้ว่าปล่อยได้แล้วไม่กลัวแล้วไม่ทุกข์แล้ว <c oughs> สี่โมงนะับเดียวับแ <c oughs> ล้วนะก็ขออนุโมทนาขอให้พยายามฝึกฝนอบรมศึกษาปฏิบัติไปต่อไปอย่างเข้มข้นนะ